เจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้มามาบำเพ็ญมาปฏิบัติเสริมสร้างบุญบรารมีซึ่งเป็นเหตุที่จะนำพาให้ท่านไปสู่ความสุขความเจริญสู่การสิ้นทุกข์สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรม และในประสงค์คือมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงมีพระชัยที่สะอาดบริสุทธิ์ประทับอยู่ในพระนิพพาน เป็นแดนที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภควตาธมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือ พูดไปตามความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่เช่นทรงตรัสสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของบาปเรื่องของกรรมต่างๆเป็นความจริงทั้งนั้น และมีความเชื่อในพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ศึกษาและนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับ ของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่สืบทอดศสาสนาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปด้วยการอบรมสั่งสอนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจะได้มีแสงสว่างนำพาชีวิต ให้ได้ก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ต้องมีครบทั้งสามองค์ด้วยกัน ถ้ามีแต่พระพุทธเจ้ามาตัสรู้แต่ไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนคือไม่สอนผู้อื่นก็จะไม่มีพระอาเรยสงสาวกปรากฏขึ้นมาก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมาตัสรู้ในโลกนี้จะรู้แต่พระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์ก็จะกลายเป็นพระประเจกกะ พุทธเจ้าไปคือตัดสรุเพื่อพระองค์เองเท่านั้นไม่ได้นำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้นี่มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าพระองค์ได้ตัดสรูแล้วมีความปรารถนามีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทรงอุตสาห์ ใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นั้นมาประกาศพระธรรมคำสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันองค์ปัจจุบันนี้ที่เรากราบไหว้บูชาพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วในเบื้องต้นก็มีความท้อพระทยัยเนื่องจากทรงเห็นว่าสิ่งที่พระองค์จะต้องนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั้น เป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งแก่สัตว์โลกที่จะสามารถปฏิบัติตามได้เพราะเป็นการทวนกระแสของความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทรงเกรงว่าเมื่อสอนไปแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด จึงมีความทอ้อพระไทยในเบื้องต้นไม่ทรงคิดอยากจะสอนใครแต่ต่อมาได้มีพระเท้ามหาพรมได้ทรงมาอาราธนากราบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาแก่สัตว์โลกด้วยเพราะสัตว์โลกนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มืดบอดไปเหมือนกันทุกคน สัตว์โลกนี้ก็เป็นเหมือนบัวสีเหล่าคือคนที่ฉลาดมากก็มีคนที่ฉลาดปานกลางก็มีคนที่ฉลาดน้อยก็มีและคนที่ไม่ฉลาดเลยก็มีไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนนั้นเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไปเสียหมดจนไม่สามารถที่จะปฏิบัต ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้หลังจากได้ทรงพิจารณาแล้วจึงได้ตัดสินพระไทยจะเอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นดีมาเผยแผ่ให้แก่สัรโลกในเบื้องต้นทรงเล็งไปถึงพวกบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วบัวที่รอแสงอาทิตย์เพื่อที่จะได้ เบ่งบานออกมาพอผ้าทิศโผลขึ้นมาบัวที่อยู่เหนือน้านั้นก็จะบานออกมาก็ทรงมุ่งไปสู่ใจของผู้ที่ได้บาเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเต็มที่แล้วพร้อมที่จะบรรลุได้ทันทีถ้ามีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนทำอันลึกลับมหัศจรรย์อันนี้ ที่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้นอกจากนั้นแล้วผู้อื่นนี้จะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะไม่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีมาเท่าเทียมกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนก็จะไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะได้ทำขั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นอย่างครูบาจารย์ของพระพุทธเจ้าสององค์ที่พระพุทธเจ้าได้ไปทรงศึกษาก็สอนพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่ฌานสมาบัติได้เท่านั้นให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้แต่ไม่รู้จักทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานได้ เพราะทางแห่งพระนิพพานนี้เป็นทางของวิปัสสนาพวกปฏิบัติธรรมในสมัยนั้นเขารู้เพียงทำในขั้นสมาธิในขั้นฌานเท่านั้นนั่งทำจิตใจให้สงบนิ่งได้แต่ไม่สามารถสอนใจให้หายจากความหลงได้ความหลงที่เป็นเหตุให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีปัญญาพอที่จะสอนใจให้ปล่อยวางได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์แรกเท่านั้นที่สามารถสอนได้ศึกษาจากด้วยพระองค์เองแล้วก็นำเอามาสอนตนเองจนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเพราะอะไรพระทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนผ้าทิศพระจันทร์เป็นเหมือนฝนฟ้าต่างๆเหล่านี้ไม่มีตัวตนไม่มีเป็นของใครไม่มีใครสามารถไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้ ไม่มีใครสั่งให้ฝนตกได้หรือสั่งให้ฝนหยุดได้ไม่มีใครสั่งให้พ้าทิตย์หยุดขึ้นหรือหยุดตกได้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติของเขาเขามีการเจริญเติบโตมีการเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็มีการเสื่อมดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็น ทรงเห็นว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนแต่ใจที่มาครอบครองใจนี้ครอบครองร่างกายนี้มีความหลงติดตามมาก็เลยเหมือนกับคนกินเหล้าเมาเห็นเห็นสุนัขเป็นแมวเป็นต้นไม่ได้เห็นต่างความเป็นจริง ใจที่มีอวิชชามีโมหะความหลงครอบงำอยู่เช่นสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนเมาเหล้านั่นเองไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรได้ไม่สามารถแยกสุนัขออกจากแมวได้เป็นต้นไม่สามารถแยกแยะ่าร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนี้เท่านั้นที่ฉลาดมากจนสามารถเห็นความจริงนี้ได้เมื่อทรงรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวพระองค์เองไม่ใช่เป็นของพระองค์ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ปล่อยวางยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายอยู่ในโลกนี้ต้องพัดพลากจากสิ่งที่เรารักต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นธรรมดานี่ทรงศึกษาแล้วเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ความจริงอันนี้ได้ความจริงอันนี้เป็นความจริงตายตัวไม่ว่าจะเกิดมาในภพไหนสมัยใดก็ตาม ในสมัยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันพวกเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบและต้องพัดพลากจากสิ่งที่เราชอบนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ทรงเห็นทางว่าวิธีที่จะทําให้ ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องปล่อยวางเขาต้องอย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราเหมือนกับเรามองเห็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราของเราทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของคนอื่นเราไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราของเราลูกภรรยาสามี บิดามารดาปุยาตายายญาณชนิดมิสหายก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นเหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางได้เพราะรู้ว่าถ้ายังยึดติดอยู่ ก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจของพระ อ, องค์นั่นเองและเป็นสิ่งที่พระ อ, องค์ไม่ปรารถนาต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจต่างๆการจะหลุดพ้นได้ก็ต้องเห็นด้วยปัญญาการเห็นด้วยปัญญาก็ต้องเห็นยุด้วยด้วยความต่อเนื่องคือทุกลมหายใจเท่อออกเลย เห็นอะไรต้องรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยึดติดทันทีแต่ถ้าเห็นบางเวลาแล้วบางเวลาไม่เห็นเวลาที่ไม่เห็นก็จะยึดติดทันทีก็อยาก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่แล้วก็อยากมีความอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอคิดอย่างนี้แล้ว พอมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นได้ด้วยพระองค์เองมีพระองค์เท่านั้นคือพระโ พ, พ, ะโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีครบถ้วนสิบ ป, ประการถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับการดูแล รักษาทำนุบำรุงด้วยน้ำด้วยปุ๋ยด้วยการกำจัดวัชพืชต่างๆและแมลงต่างๆที่จะมาคอยกัดกินไม่ให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตพอได้รับ ก, การทำนุบำรุงดูแลครบถ้วนแล้วพอถึงเวลาต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลอย่างที่เรารู้กันเห็นกันอยู่ฉันใดจิตใจของ สัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามีความฉลาดรู้ว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตใจแต่ต้องดูแลรักษาจิตใจไม่ให้ถูกกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่ให้ถูกตันหา ไม่ให้ถูกโมหะความหลงอวิชชามาครอบงมจิตใจทำให้จิตใจมีความกวนกวายมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพวกกิเลสตัณหาอาวิชชาโมหะเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับวัชพืชเปรียบเหมือนกับแมลงเปรียบเหมือนกับตัวนอนที่จะมาคอยกัดกินทาลายต้นไม้ ผู้เป็นเจ้าของใจดวงนี้หรือต้นไม้ต้นนี้จำต้องคอยดูแลรักษาอยู่อย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่จะดูแลจิตใจให้เจริญงอกงานนี้เราเรียกว่าบารมีบารมีนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันคือทานบารมีอย่างที่ท่านทั้งหลายมากับทำกันในวันนี้ ให้ทานเรียกว่ากำลังบำเพ็ญทานบารมีกำลังดูแลรักษาใจทำนุบำรุงจิตใจให้เจริญงอกงามบารมีตัวที่สองก็คือศีลบารมีคือการรักษาศีลห้าและบารมีขั้นที่สามก็คือเนคขมบารมีคือการออกบวช รื้อถือสิ่แปลกเป็นอย่างต่ำไม่แสวงหาความสุขทางโลกอีกต่อไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขมันสุขเดียวๆเหมือนกับควันไฟเวลาเราได้เสพได้สัมผัสเราก็มีความสุข พอเราหยุดเราก็มีความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความเหงาหงอยมีความอยากที่จะได้เสพได้สัมผัสอีกนี่คือเนคขมมะบารมีการบําเพ็ญเนคขมมะบารมีก็ทำได้หลายวิธีมาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดทีละวันบ้างสามวันว่างเจ็ดวันบ้าง สุดแท้แต่จะสามารถทําได้ถ้าทําได้มากกว่านี้ก็ออกบวชเป็นแม่ชีก็ได้เป็นภิกษุนิเป็นภิกษุก็ได้เป็นสัมมาเนยก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญเนคขมะบารมีบารมีขั้นต่อไปก็คือเมตตาบารมีก็คือต้องทําใจของเราให้ มีแต่ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามให้มีความเมตตาคือหนึ่งไม่เบียดเบียนเขาไม่ไปท่างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาถ้าเขาทำให้เราโกรธเราก็ต้องให้อภัยเขาเพื่อจะได้ทำจิตใจของเราให้สงบ ให้เย็นถ้าเราไม่ให้อภัยแล้วจิตใจของเราจะรุ่มร้อนจะมีความโลภจะมีความโกรธแค้นโกรธเคืองมีความปรารถนาไม่ดีต่อผู้อื่นซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับส่งเสริมให้มแมลงสัตว์วัชพืชต่างๆมาคอยกัดกินใจของเราให้มันเสื่อมลงไปไม่ได้ให้เจริญขึ้นมา ดังนั้นเราควรที่จะแผ่เมตตาเสมอการแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ตอนที่เราอยู่ในโบสถ์เวลาที่เราสวดมนต์ตอนนั้นเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมเอาไว้ก่อนเหมือนกับทหารก่อนจะออกรบก็ต้องซ้อมรบก่อนแต่ยังไม่ได้เป็นของจริงของจริงการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราอยู่กับคนอื่น เราอยู่กับใครเราต้องมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากจะให้เขามีแต่ความสุขแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เบียดเบียนเขาต้องเสียสละได้เขาต้องการอะไรให้เขาไปก่อนเราเอาทีหลังก็ได้อย่างนี้เรียกว่าการมีความเมตตาเป็นอย่างนี้ต้องทําตอนที่เราอยู่ กับผู้อื่นอยู่กับคนหรืออยู่กับสัตว์ไม่ใช่ทําตอนที่เราอยู่คนเดียวอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมไปเท่านั้นเองเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็จเจริญเมตตาว่าต่อไปนี้เราจะคิดดีต่อผู้อื่นเสมอเราจะไม่คิดร้ายเราจะไม่อาราธพยาบาทเราจะ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขปรารถนาให้เขาไม่มีความทุกข์เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเราเจอคนอื่นเราก็จะได้มีความเมตตาไว้ออกไว้ออกมาแสดงทันทีนีแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ไว้เลยเวลาเราเจอใครถ้าเราเห็นคนที่ไม่ชอบเราก็จะไม่แผ่เมตตาทันที ถ้าเห็นเขาพูดหรือทำอะไรไม่ไม่ถูกใจเราเราก็จะไม่แผ่ออกมา ท, ทันทีแต่ถ้าเราคอยแผ่ไว้เรื่อยๆแล้วความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีจะไม่สามารถโผล่ออกมาจากใจของเราได้นี่คือเรื่องของการเจริญเมตตาบารมีขั้นต่อไปก็คือการเจริญปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือ ความรู้ที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกนี้เองเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเมื่องต้นเราก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เราได้ยินแล้วว่าปัญญาที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกได้ก็คือสัพเพธรรมาอนัตตาธรธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตน ไม่มีเจ้าของไม่มีเป็นของใครทั้งนั้นเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ําลมไฟมาจากดินน้ําลมไฟแล้วก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ําลมไฟนี่คือปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนํามาเจริญอยู่เรื่อยๆสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา สักวันหนึ่งของที่เรามีอยู่นี้ก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปไม่มีใครสามารถมายับยั้งความจริงอันนี้ได้ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วอย่าไปยึดติดมีอะไรก็มีได้แต่อย่าไปเสียดายอย่าไปหวงเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็ต้องยินดีให้เขาไป เหมือนกับเราไปยืมของของมาเรารู้ว่าของที่เรายืมมานี้ไม่ใช่ของเราเราก็พร้อมที่จะคืนเจ้าของเข้าไปเช่นไปยืมไปยืมกระทะไปยืมหม้อมาเพราะวันนี้ต้องทำบุญต้องทำกับข้าวเราก็ไปยืมของเพื่อนมาพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปคืนเขาเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเรา อย่างนี้เราก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์กับการสูญเสียม่อหรือกระทะไปแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นของเขาเราคิดว่าเป็นของเราพอเขามาขอเอาคืนไปเราก็จะไม่ยอมคืนหรือถ้าคืนก็คืนแบบเสียไม่ได้คืนด้วยความเสียใจเพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นของเรานั่นเอง จันใดร่างกายที่เราได้มาก็ไม่ใช่เป็นของเราสมบัติข้าวของเ ง, งินทองต่างๆที่เราได้บุคคลต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วขณะที่เขาอยู่กับเราหรือเราอยู่กับเขาแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปหรือเราต้องไปก็ไม่มีใครมาหยุดยัง้งมันได้ ถ้าเรารู้ทันเราไม่ยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าสศกเสียใจไม่อะไรอาวรไม่ไม่ไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับใจอย่างใดเราจะรู้สึกธรรดาเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นอย่างนี้ใจจะไม่เศร้าหมองใจจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามนี่คือปัญญาบรารมีที่เราต้องจเจริญกันนอกจากนี้แล้วเราก็ยังต้องมีอธิษฐานบรารมีอธิษฐานบรารมีก็คือความตั้งใจไม่ใช่เป็นการขออธิษฐานภาษาของธรรมนี้แปลว่าตั้งใจเราต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเราว่าเราจะทำอะไรเช่นเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะ เกิดมาชาตินี้ไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าการสร้างบุญบารมีเราจะถืองานสร้างบุญบารมีบีนี้เป็นงานหลักของเราส่วนเรื่องการทำมาหากินหาเงินหาทองนี้เป็นงานสนับสนุนการสร้างบุญบารมีเพราะเราต้องทาต้องมีเงินทองมีอาหารไว้รับประทานีบ้านอยู่เราก็ต้องทำงานเพื่อหาสิ่งเหล่านี้แต่พอเรามีพอเพียงแล้ว เราก็จะเอาเวลาที่เหลือนี้มาสร้างบุญบารมีมาสร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นนี่คืออธิษฐานบารมีถ้าเราไม่ตั้งแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจมาวัดตอนนี้เราอาจจะนอนอยู่ที่บ้านก็ได้ เราก็อาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรดีถ้าเกิดมีเพื่อนมาชวนให้ไปยิงนกตกปลาไปดื่มสุราเราก็อาจจะไปกับเขาเพราะว่าเราไม่มีอริฐานบารมีถ้าเป็นเรือก็เป็นเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทิศทางใดหรือรถยนต์ก็รถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยปล่อยให้มันไหลไปตามบุญตามกรรม ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าปล่อยให้จิตใจไหลไปตามอารมณ์เราอย่าให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดเราต้องกำหนดด้วยตัวของเราเองด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสร้างบุญบารมีนี่คืออธิษฐานบารมี่ารามีอธิษฐานบารมีแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องมีสัจจะบารมีคือความจริงใจเวลาเราจะทำอะไรเราต้องเรากําหนดตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำอะไรเราต้องมีความจริงใจไม่ใช่ตั้งไว้แล้วก็ล้มเช่นวันนี้จะมาวัดพอถึงเวลาตื่นเช้าก็ตื่นไม่ไหวก็นอนต่ออย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะบารมี ถ้ามีสัจจะบา ร, รมีนี้จะต้องคอยคอยสังเกตดูว่าตนเองได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำก็ต้องทำ ท, ทันทีเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องทำจะไม่ยอมเสียสัจจะนี่คือสัจจะบา ร, รมีอย่างที่พระพุทจธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานบา ร, รมีอัตั้งสัจจะอธิษฐาน ในตอนที่ทรงนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปอย่างเด็ดขาดถึงแม้ร่างกายนี้เลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปถึงแม้จะไม่มีลมหายใจหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามถ้ายังไม่ได้ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นี่อย่างแน่นอนนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้า ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจา้าเพราะอธิษฐานสัจญานี้เองพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องมีทั้งอธิษฐานและมีสัจจะบา ร, บ ร, รมีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้เราพยายามตั้งจิตอธิษฐานอยู่เรื่อยๆว่าจะสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลแล้วก็ให้มีความจริงใจ พอมีโอกาสมีเวลาก็รีบท ำ, ท, ำทันทีเมื่อมีสัตมีบารมีทั้งสองงานนี้แนละ้วก็ต้องมีวิริยะบารมีตามมาก็คือความภาคเพียรนั่นเองเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะทำอะไรเราก็ต้องขยันทำทำให้มากทำจนกว่ามันจะสำเร็จรุ่งไปถ้ามันยังไม่สำเร็จรุ่วงเราก็จะไม่หยุดนี่เรียกว่าวิริยะบารมี แล้วถ้าเราทำไปแล้วเกิดมีอุปสรรคมีความยากลาบากเราก็ต้องมีขันติบารมีคือความอดทนไม่ว่าจะฝนตกแดดออกถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้าไม่สุดวิสัยก็จะทำให้ได้นอกจากมันสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นมาไม่ไหวหรือน้ำท่วมไม่สามารถออกไปทำสิ่งที่ต้องการจะทาได้อย่างนั้นก็ต้อง ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนแต่ถ้าไม่สุดวิสัยแล้วต้องทำให้ได้เช่นบางท่านมีกิจอธิษฐานว่าจะมาทำบุญที่วัดทุกอาทิตย์อย่างนี้ก็ต้องมาให้ได้วันใดวันหนึ่งภายในเจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าขันติบารมีวิริยะบาามีอาธิสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีถ้าท่านได้มาเพลนบารมีทั้งสิบประการนี้แล้ว รับรองได้ว่าไม่นานท่านก็จะได้พบกับผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมามาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบรารมีนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่า